ยุ่งใหญ่มากคอนี่คือช่วย่าไแล้วเราเป็นตลาดคนตลาดยามีมาสว่างนับพันเลนมาาสุ ทั้งหมดนี้อ้าม่เป็นการเป็นทางไปทาตามเมาพนที่จเามาปีละมีนทุกปียอดนิยนะที่ไม่หวังคนมากยาที่เราทานอยู่นี้ที่ทำงานอยู่ในน่าในน่านถิ่นน่านีทุงนี้เห็นอะไรจิตการก็มีุปักเพื่อมย่างนี้พูดอะไรไม่ได้เลย วาปตะมดเหมนตัวโลกของขานเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เคยมีเมืองไทยเราก็เลยเห็นี่ภาพที่เขึ้นเองทามเูกโผ่เองทั้งเข้าเหยียบย่ำทำลายประเทศชาติได้มาด้วยความตระกของคนไม่สี่คนต่อไปก็เระกศาสตร์ประการตะมดเป็นตัระกุข้าง้าขงเม มีก็เข้าบุกตองมาตีสลัตีมองไทยตองเราซึ่งเป็นชาวพืชให้เสียหายไหมดมีอังคารอย่างอีเข้าในรับในวานในเช้าในเย็ากจงตากทำลายสาหราเพื่อความร่นแรงของตัวเองและเ่เยนทะเลยังดับทุกแห่งทให้วาดานแยกเริมอนตปทะเลของความสกปรกของพือเป็นหมดแล้วอยไรเี้ยดูลตอทั้งเยอะจงน นี่จอหูมาเป็นอะไรที่แสดงเกลอยู่เวลานึ่งถ้าเกลือความอย่าร้อนวุ่นวายทาท่านในไทยใครแสดงให้เยลืความอย่าร้อนวุ่นวายทุกเพื่อทำจนไปทพ่อความสูขแต่ทุกรู้สุขครื่อเฉลี่ยนี่เป็นไปทพ่อความทุกข์ร่วงร่วงนี่คือปีกางลโรกไม่เห็นนะบ้านต่างเง้บ้านเมืองเจริญไปเลยวันนี้จะเป็นประเทศไทที่แสดง ตลอดไปหมดโพรา่าเรื่องนีง้แล้วกอเพลิง่อไปก็าดเท่ากันที่เรื่องเรื่ความแนบเนียนงขึ้นภายในจิตใจของแต่โลกอยู่ตลอเวลาเลรืองนี้คือความหลั ง, งนี่สคัญมากนะความหลังความอยากมันอยากไม่หยุดในขไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่็นขนาความอยาก ค้วนทมภายในหัวใจด้วยกันอันนี้แหละสร้างความตื่นเโ้นอยู่แล้วนี่มีความอยากบาันดังมาความหลังก็างมากระดันออกมาหลังอย่างนั้นหลังอย่างนี้ผลที่ได้มันมีแต่ความผิดหลังผิดังจากความอยากไม่มีประมาณนี้ยังอยากเนะรื่อยๆจนก้มลงไปยังหวังอยู่เลยรืยร่อยถึงไม่ชื่ม อ, อมึงโทษเข้ามาเรื่อยๆ เรืการประกอบความพักเพียงอย่างที่เราท่านทนอยู่ทำอีกเวลานี้มันดูไม่แรงนะพูดจริงๆผมเป็นแบบผูดใหญาวแบบไม่ดูไม่ตามแต่อย่างนี้กินอยู่ได้นะกาอยู่แบบข้าเกี่ยจริงๆมันดูไม่แรงยาวท่าตําันหนุ่มนเชื่อมหัวใจกับสติไม่ทราบไปอย่างไหนทั้งวันทั้งคืนไม่มองดูกันเลยเนี่ยติดข้งขันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะ สติเร่องปัญญาไม่ไม่ต้องพูดถ้าลงสติไม่มีแล้วปัญญามาจากไหนกน็ไม่มีปัญญา<ม>สติต้องสร้างพื้นฐานไว้ก่อนแล้วปัญญาจะมีทางให้สปล่ยนสติก็ปิด่ยนเ่อนะงับดับภัทั้งหลายอยู่ที่จิตแต่สติไม่มีในจิตแล้วจะเอาทําพื่อนะคับดับไัยอย่อางน่จะความเพิ่มดึงเพิ่มไปขึ้นไปในจิตไป ประกาศใส่กระจ า, ายเป็นแบบหรือจะเรื่องของยู่นคือคาพไม่มีสตินี่เป็นเรื่องของยื่นรวมๆคือตลาดเอยู่ลยแล้วเห็นได้แหละศาสนาอยู่ลยลวผมนักฟังแล้วเขาจะมันกระโดดสั่งเล่มจนชินเรียกว่าจนหน้าพาไปก็พูดให้ผิดเขาพูดอยู่ภายนอกเน เพื่อบ้างเพียงหนึ่งกระซิบกระซาบกันหมเพราะคนผู้ดียังมีอยู่ทั้งคารวะอยู่อยู่ทั้งพระอยู่อ่มาพูดขเขาทำหนึ่ง่เกี่ยนพระสงฆ์ไทยเราเวลานี้โหนเวลานี้พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์ไทยเราพระไทยเรากำลังลังหน้าต่างตาคำวาสกันมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคำแขัญทําให้ดีนะคำเสีงยงนี้ไม่ดังเลยแต่มันกระซิบกระซาอยู่ทุกแห่งทุกคน ออกจากคนดีที่วิตกมีจกรรมกาศสนาทั้งพระดีทั้งประชาชนผู้ดีออกมาแบบเดียวกันพอเห็นความเลวร้ายของศาสนาแบบเดียวกันจากท้าจากเงินจากพุทธบุตสัตว์ทั้งหลายเห ม, มเออือนอันพอบทอกันผมว่าอย่างนี้าซึ่งเป็นผู้นำหน้าของศาสนาเนี่ยแต่จะพาเป็นผู้นำหน้าในการทำลายขี้เนี่ยขี้น่าขยสังเวยมากนะ รานี้ไม่มีทาไม่มีวิไกครองันไม่ได้เรื่องะรมันเละเพื่อนาตั้งขึ้นมาท่านใดถึงไหนก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเลกเพื่อบารเพื่อชีวิตเพื่อหารได้เพื่อกินกันตรงนั้นเนออยู่ท่าพระก็มีเงินเงินเดือนไปเลยเงินเดือนเนียทไม่มีเลหัวใจมีแต่ทีวิตตีก็ะาบวมาก็เพื่อ ทำ ห, หน้าที่เกเตยไม่สนใจก็ปบบัดัดเห็นไหนที่เหลือตีอะไดูเอาสิเหือมันน่าเสียดสีมากนะไอ้ที่ไหนเขาต้องมีตีเทียนมีกายเป็นภาพเป็นผู้นำหน้าในการทันลาศา จ, จะมาเสือเออันนี้แหละที่ลึรกรับที่สุดคืออันนี้เหลือกตั้นานบวดมาก เป็นบ้านเป็นเมืองบวชเขามาไม่ต้องมาตังตาทำลายสักคนหนึ่งนีน่มั น, นตัดเสื่อตัคฟอมกันไม่ได้ที่ได้ว่าขากันไม่ได้เพราะมันมีตะชี้เติให้ใจทุกคนทุกคนกคน็มีตะกลิ้งตะไฟเผาตัไป น, นี่มีคนนี้เอาผ้ากัดั่ำให้ดีมาเวลานี้กาลังปุด ม, ม้วนเขามาปุ่มร่วนเขามาตัดา้าไม้มมจะไม่มีเหลือแล้วนะ เหลือแต่พระแต่นินแต่วัดตาาก็เป็นพระเนืองร้างวัดเมืองร้างเถลีแต่วัดร้างพระเมือง้างพระศาสนาบางทีก็ร้างกันหมดเก็บเงินตู้ในหีบมีระชือออกีกระลาเพื่อนบ้านเพื่าเขาบ้านเขาเมืองเพื่อดินแดนปรานั้นะเหรยนะนัอนโลก็ะสูมาก